โป่งก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ให้โธนภามฟังต่อไปว่าเราจะเพ่งได้กำเนิดเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นคนทันผู้เหาะเหินเพราะอาสวะเหล่าใดอาสวะบางทีก็หมายถึงกรรมกรรมที่ไปนำเกิดในกำเนิดเทวดากรรมที่ทําให้เกิดในคนทันหรือเราจะได้เกิดเป็นอัตภาพยักษ์หรืออัตภาพมนุษย์เพราะอาสวะกิเลสและกรรมเหล่าใดอาสวะกิเลสกรรมเหล่านั้นเราทําให้สิ้นแล้ว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 การเกิดจะมีไหมชาติต่างๆจะมีไหมชาติชรามรณะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพระองค์ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้พระองค์จึงเป็นพระพุทธเจ้าเนีพราหมณดอกบัวย่อมเกิดขึ้นมาในน้ําพ้นน้าย่อมน้ําไม่กำทราบเข้าไปได้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันโลกไม่เข้ามากำทราบใจของเราได้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อแสดงธรรมอย่างนี้จบโทนพรามก็ บรรลุสามมันจะผลสามแปลว่าเป็นพระอนาคามีเสร็จแล้วเป็นคนที่นักชมที่เก่งมากเขาชมพระพุทธเจ้าหนึ่งมสองพันบทหนึ่งสองพันคาถาอันนั้นนั่งชมพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะพิมพ์เป็นหนังสือเป็นเล่มเหมือนกันเถะคือเป็นคนที่เก่งมากนะอาศัยเรื่องราวเป็นคนที่มีปฏิภาณน่ะนะคล้ายๆกับอุบาลีอุบาสกอ่ะอุบาลีอุบาสกก็เหมือนการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันนั่งชมพระพุทธเจ้าร้อยบทนีนะร้อยกระบท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 ก็แปลว่าเป็นพราหมณ์มหาสารที่ร่ํารวยมากตอนหลังเนี่ยนะโทนตพราหมณ์หลังจากที่บรรุชื่นชมพระพุทธคุณเขาเรียกว่าโทนคัคชิตะเสียงกระหึมคําริ่มสั่งเสริญพระพุทธเจ้าเนี่ยประมาณหนึ่งสองพันบทเมื่อพระองค์ปรินิพานนี่ก็โทนตพราหมณ์ก็เข้ามาและพวกศิษย์ที่เรียนกับโทนตพราหมณ์พวกนี้ในที่สุดก็มาเป็นพวกอํามาตะเป็นพวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยนะ ตามเมืองต่างๆก็แปลว่าถ้าพูดแบบภาษานี้ก็ว่าที่ไหนมันไม่มีลูกศิษย์โทนตพรามเมืองไหนมันไม่มีโดยเฉพาะประเภทหัวหน้านะไม่ใช่ประเภทเล็ก ๆ, ๆน้อยแต่เป็นประเภทหัวหน้าเป็นเสนาบดีเป็นผู้มีอำนาจผู้ยิ่งใหญ่นะี่นะผู้ปกครองผู้สําเร็จราชการทั้งหลายเนี่ยโดยมากเป็นลูกศิษย์โทนตพรามทั้งหมดเพราะถ้าไม่ใช่คนระดับนี้จะไปห้ามศึกอยู่ได้ยังไงเพราะพระเจ้าชาติศัตรูยกมาเองพระเจ้าชาติศัตรูยอมใครเป็นที่ไหนนะเนี่ย ฆ่าอย่างเดียวพระเจ้าชาติตรูนั่นแต่ก็อย่างว่านะแต่ก็ก็ไอ้ส่วนที่คือมันก็ไม่มีใครเลวหมดนะมันก็ไม่ให้มีไอ้ดีหมดอ่ะในโลกวิสัยของปุถุชนทั้งหลายเนี่ยนะก็อย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นก็พอกองทัพเนี่ยมาประชิดกันเข้าใช่ไหมเขาข้าพระเจ้าก็ดื่มนมท่านก็ดื่มนมพูดแบบเราเอาท่านกินข้าวข้าพระเจ้ากินแกลบหรือข้าพระเจ้าจะยอมท่านอย่างนี้แมก็ทางทุกคนมันก็คนเหมือนกันนั่นแหละมา ลองดูกันดูซิเหมือนกันทีนี้โทนลดพราหม์ก็เลยกปขึ้นสู่เชิงโทนสูงมากเลยประกาศแต่เป็นคนพูดเสียงดังมากที่ว่ากองทัพได้ยินทั้งหมดอ่ะเป็นคนพูดเสียงดังมากก็พูดว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายในข้อหนึ่งร้อยห้าสิบแปดหน้าสาม้อยสาสิบสามเนี่ยนะดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายขอพวกท่านจงฟังคําอันเอกของข้าพเจ้า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 ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุคคล น, นี้เช่นนี้ไม่ดีเลยนะพระองค์สรรเสริญขันติเรามาฆ่ากันเพื่อชิงสรีระราชของผู้มีขันติมันไม่สมควรเลยเหมนนเราทั้งหลายทั้งปวงจงยินยอมพร้อมใจกันยินดีแบ่งพระสรีระราชออกเป็นแปดส่วนเถิดเพราะว่าตอนนั้นมายกมาแดเมืองยกมาแปดทับใหญ่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นแบ่งออกเป็นเอ่อแบ่งออกเป็นแดส่วนเถิด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 อัตรกรถาอธิบายเพิ่มเติมบทว่าหน้าสี่ร้อยหกสิบเอดเอวังวุเตโดโนบรามโนความว่าโทนพราหมณ์นั้นสดับเรื่องการวิวาทของกษัตริย์เหล่านั้นแล้วคิดว่าพวกเจ้าเหล่านี้ก่อวิวาสกันในสถานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานเป็นการไม่สมควรไม่เหมาะมสมอย่างยิ่งะนะการทะเลาะกันนี้ควรจะพอกันทีจำเราจะต้องระงรับการวิวาทนั้นะนะก็เลย เข้าไปประกาศอย่างนั้นโทนตพรามนั้นขึ้นไปสู่ที่ดอนที่สูงแล้วก็กล่าวคาถาโทนนะคัญชริศเครว่าเสียงบรรลือของโทนตพรามประมาณสองพานะอวระไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วก็แหมประกาศรวมตัวกันเลยนะเกปาตกรถาก่อนเนี่ยนะปาตกรถาสองพาณนะวาระก็ตแต่งหนังสือออกเล่มย่อมๆเล่มหนึ่งอะ่ะถ้าถ้าพิมพ์มาเป็นหนังสือเนี่ยนะก็ประกาศเสียงลือสนันไปหมด อพอพูดจบเนี่ยนะก็บอกว่าพรวรสารคนอื่นพวกเจ้าเหล่านั้นไม่รู้แม้แต่บทเดียวนะจนพานาวาระที่สองเจ้าทั้งหมดก็พูดกันว่าท่านผู้เจอร์ดูนั่นเหมือนเสียงของท่านอาจารย์นี่คือตอนแรกท่านพูดนะก็พูดดังไปด้วยก็ไ ม, ม่มีใครสนใจอ่ะกคิดแต่เรื่องรบเรื่องทะเลไ ป, ไปมาเหมือนกับเสียงแวแวๆเอ้นี่มันเสียงอาจารย์เรานี่ อ, อาจารย์เราพูดอะไรทุกคนก็เลยเงียบเสียงกัน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 ระบบบางประเทศก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยนะเว้นแต่ว่าระบบสมัยประชาธิปไตยเนี่ยก็พอกันหมดนะคะนี้มันก็ไม่มีใครกับใครละทีนี้พ อ, อโทนตะพราบประกาศเนี่ยนะพวกเจ้าเหล่านั้นก็เลยนิ่งอยู่ ทีนี้ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นของพวกเราใครก็คิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นของเราเนี่ยนะอัมหะกังพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นของพวกเรากันเนี่ยนะก็อะไรพุทธังสรณนังขะฉามิกับอัมหะกังพุทโธก็ความหมายเหมือนกันพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอาหุขันติวาโดความว่าพระองค์นี้แม้ ตอนที่บำเพ็ญบารมีตอนนั้นยังไม่บรรลุเป็นพุทธ ภ, ภูมิยังไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญบารมีพระองค์งก็ไม่ทรงทาความโกรธในคนอื่นๆพระองค์ก็ทำแต่ความขันติอย่างเดียวความอดทนอย่างเดียวพระองค์สรรเสริญขันติอย่างเดียวสมัยเสวยราชสมบัติสมัยเสวยพระชาติเป็นขันติวาทีดาบทเป็นธรรมปาละกุมารเป็นพญาช้างฉับทันเป็นพญานาค ชื่อว่าภูริภัตตจำเปะยะสังคประหรือเกิดเป็นพยาลิงใหญ่กระบี่กระบี่คือลิงเนี่ยนะกระบี่ลิงหรือชาดกอื่นๆเป็นอันมากพระองค์ก็ยังสรรเสเริญสรรเสริญอะสรรเสริญขันติเป็นเดราชานพระองค์ก็สรรเสริญขันติเป็นมนุษย์เป็นอะไรพระองค์ก็สรรเสริญขันติจะป่วยกล่าวไปยัยบัดนี้ว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแม้อดี ต, ตอนสร้างบารมีพระองค์ก็สรรเสริญขันติ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 เพราะฉะนั้นท่านจงเป็นผู้สมัคราประชุมสาสมัครสมานสามัคคีพูดคําเดียวกันสามัคคีกันสามัคคีกันด้วยกายและวาจาเถิดนะจงเป็นผู้บันเทิงต่อกันและกันต่อกายและจิตเนี่ยนะดีใจที่แบบโอ้เนื้อกำเมืองนั้นเขาก็นับถือพระพุทธเจ้านะพวกนี้เขาก็นับถือพระพุทธเจ้าพวกเราในฐานะพุทธสาวกมารวมกันมาบูชาพระธาตุกันเออทาไมไม่คิดอย่างนี้ล่ะ มาคิดแม้นี้ของเราท่านยามาอะไรอย่างไงแล้วก็ทะเลาะกันแม้แต่บอว่าบางทีเนี่ยโดยที่สุดทะเลาะกันแม้ที่นั่งบูชาพระธาตุอะไรนั่นก็เกินไปก็เพื่อนั่งเจริญกุศลอยังทะเลาะกันเรื่องที่นั่งแล้วเนี่ยนะแหมหนักหนาสาหัสเหมือนกันมันก็คนมีกิเลส น, นะไปอยู่ที่ไหนคือเหมือนกับว่าคนมีโรคประจําตัวเนี่ยนะโรคมันกำเริบได้ทุกที่อย่างนั้นเถอะ ป่วยด้วยราคะป่วยด้วยโทสะป่วยด้วยโมหะไปอยู่ตรงไหนมันก็ป่วยได้หมดไข้มันขึ้นได้หมดะนะไข้ใจไปอยู่ตรงไหนก็ไข้ขมันขึ้นกำเริบทลักมาทางกายบ้างวางวาจาบ้างกรนลุกโชนไม่อยู่ในใจบ้างอ่ะนะเพราะอะไรก็เพราะว่าคนมีไข่อ่ะนะคนมีไข่คนยังไม่หายชนิดเชื้อมันยังเต้ไปหมดเลยไข้ใจเนี่ยนะไข้คือราคะมันก็ซึมแทรกก็้ยิ่งกวไวายร้ายอีกนะวรัานี่มันก็วัคซีนป้องกันหรืหอฆ่าทิ้งก็จบแล้วนะแต่แม้ไวายรัาใจนี่มันทำลายยากยากนะนี่ โดยเฉพาะราคะโทสะและโมหะเนี่ยทำลายยากจริงๆนั้นทุกคนจงมีความสมัติสมาสมาส ม, าสมาัคคีปรองดองกันพวกเราจงแบ่งทัศนีระของพระพุทธเจ้าบอกเป็นแปดส่วนจากขุมโตพระพุทธเจ้าผู้มีจักรสูทั้งห้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าผู้มีจักรสูห้าคืออะไรบ้างจักรสูห้าแบ่งเป็นหนึ่งมังสะจกสักรสูพระองค์มีตาเนื้อตาเนื้อโดยปกติของพระองค์เนี่ยมองเห็น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 สมุธจักสุเนี่ยนะพระองค์มีจักสุที่เรียกว่ามียานคืออินทรียะโปรปริยตญาณอาศยานุสยญาณที่ยังรู้อาสยะอนุสยะของสัตว์ทั้งหลายรู้ความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าพุทธจักสุและสุดท้ายพระองค์มีสมันตะจักสุมีดวงตาที่เห็นโดยรอบเนี่ยนะเห็นรอบน ะ, นะทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันโดยไม่ติดขัด อันนั้นไม่มีอะไรติ่จะขัดสิ่งที่ควรรู้มีประมาณเท่าใดความรู้ของพระองค์ก็มีประมาณเท่านั้นความรู้ของพระองค์มีเท่าปริมาณสิ่งที่ควรรู้อันนั้นเขาเรียกว่าสมันตะจักสุ